ー สิ่งที่เรียกว่าโลกธรรมไม่มีใครหนีพ้นโลกธรรมนะก็มีการจาแนกเป็นแปดนะโลกธรรมฝ่ายบวกก็ได้แก่ลาบยศสารเสรินสุขโลกธรรมฝ่ายลบก็คือเสื่อมลาบเสื่อมยศดินธาและทุกว่าเฉพาะสารเสริญเนี่ยกับดินธาเนี่ยนะอันนี้เป็นตัวอย่างที่ชัดมากว่าไม่ว่าเป็นใครก็ ต้องเจอทำดีแค่ไหนก็มีคนดินทาทำชั่วแค่ไหนนะก็ยังมีคนสรรเสริญคนที่ไม่เข้าใจเรื่องนี้เนี่ยก็อาจจะสงสัยหรือว่ามีความท้อแท้ว่าทำไมตัวเองทำดีถึงยังมีคนต่อว่าดินทา ทำไมคนชั่วนะถึงได้รับการยุกย่องสรรเสริญอันนี้มันไม่เกี่ยวกับแห่งกรรมนะกฎแห่งกรรมก็เป็นเรื่องหนึ่งนะส่วนโลกธรรมนี่มันเป็นเรื่องของขัานนิยมสังคมคนทำความดีก็ย่อมได้รับผลแห่งกรรมดีอยู่แล้วคนทำชั่วก็ย่อมได้รับผลแห่งกรรมชั่วแต่ว่าไอ้คำสรรเสริญกับนินทา น, นี่มันเป็นอีกเรื่องนึงนะเพราะว่า ทำดีนะคนที่ไม่เข้าใจก็มีเดีย๋ยวว่าแต่เราเราท่านๆนเลยนะแม้แต่พระพุทธเจ้าเนี่ยซึ่งเรียกว่าเป็นผู้ที่บริสุทธิ์หมดจดเรียกว่าประกอบไปด้วยพระวิสุทธิคุณวิสุทธิก็คือบริสุทธิ์ไม่เคยพูดร้ายทำร้ายใครนะก็ยังถูกนินทา แล้วก็ถึงกับถูกใส่ร้ายใส่ร้ายชนิดว่าฆ่าคนเลยทีเดียวไม่ต้องพูดถึงการมุ่งร้ายหมายเอาชีวิตนะอันนี้เราก็คงทราบดีเรื่องการใส่ร้ายนี่นะพวกเราจะเคยได้ฟังนะเรื่องราวของพระพุทธองค์สมัยที่เสด็จอยู่ที่เชตวัน ก็มีพวกปริภาชกกลุ่มหนึ่งซึ่งไม่พอใจพระองค์แล้วก็หาทางโค่นล้นทําลายเพราะว่าพระองค์สอนเนี่ยขัดผลประโยชน์ของเขาแล้วก็สวนทางกับทิฐิความเห็นของตนบางทีนักบวชเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มีความโลภในผลประโยชน์นะแต่ก็อาจจะทะเลาะ ก, กันหรือว่ามุ่งรายกันเพราะว่า มีทิฏฐิความเห็นต่างกันก็ได้อทิฏฐิความเห็นที่ต่างกันก็สามารถทําให้คนนี่ฆ่ากันได้ไม่ต้องความเห็นทางการเมืองหรอกนะแม้แต่ความเห็นทางศาสนาศาสน า, า, า, า, า, าเดียวกันคนละนิกายก็ทําร้ายกันอันนี้ปรตภาชกเหล่านี้เนี่ยนะก็มุ่งห้ายมุ่งหมายทำร้ายพระพุทธเจ้าก็ไปรู้จักกับผู้หญิงคนหนึ่งนะซึ่ง นาตาศาสสวยนะชื่อนางสุนทรีนางสุนทรีก็คงจะเป็นลูกศิษย์ในสำนักของปริภาชคกลุ่มนี้ด้วยปริภาชคกลุ่มนี้เนี่ยก็ชกชวนให้นางสุนทรีเนี่ยทำตามแผนของตนก็คือสร้างความเข้าใจผิดว่ามีสัมพันธ์ทางเพศนะกับพระพุทธเจ้าคล้ายๆกับเรื่องราวของนางจินจมานวิ ก, กาแต่ว่า ลงเอยไม่เหมือนกันน ะ, อะตอนเย็นเนี่ยนางสุนทรีก็จะเดินออกจากเมืองสาวัตถีเวลาใครถามว่าไปไหนก็จะบอกว่าจะไปเชตวันจะไปหาพระพุทธเจ้านะแต่ที่จริงตัวเองก็ไปพักอยู่ในสำนักของปริพาชกที่อยู่ใกล้ๆกับเชตวันนะพอสว่างตัวเองก็เดินเข้าเมืองคนถามว่า มาจากไหนหนางสุนทริก็บอกว่ามาจากสำนักของพุทเจ้านะเชตวันทำนอยู่หลายครั้งชวนให้คนเข้าใจว่าเนี่ยเธอไปค้างคืนที่เชตวันเป็นอย่างนี้อยู่หลายวันนะจนกระทั่งเป็นที่ล่ำลือกันแล้ววันหนึ่งเธอก็ถูกฆ่านะพระปริพาชกเนี่ยก็ฆ่าเธอนะโหดร้ายมากนะหลอกเธอให้ไปทำตามแผนแล้วก็ฆ่า แล้วก็เอาศพนี่ไปไปฝังไว้ใกล้ๆ ก, กับคันตะกุ ด, ดีของพระพุทธเจา้าแต่ไม่ใช่ในเชตวันใกล้ๆเสร็จแล้วก็แก้งโจยกันว่านางสุนทรีหายไปไหนแล้วพอเป็นข่าวก็แก้งทำทีพบศพของนางสุนทรีอยู่ใกล้ๆ ก, กับนะ คันตกุตีของผู้เจ้าแล้วก็ปล่อยข่าวหรือว่าผู้เจ้าเนี่ยลักลอบเสพสมกับนางุนทรีแล้วก็ฆ่าปิดปากนะมีศพเป็นหลักฐานแล้วก็มีหลักฐานแวดล้อมนะซึ่งทำให้ชาวบ้านเนี่ยเชื่อกันพระพุทธเจ้าเนี่ยอยู่ที่เชตวันมาเนี่ยจำบรรษาก็ย0พรรษาได้นะ คนในกรุงสวรรค์นี่ก็รู้จักพระองค์ดีแต่พอมีการกระพือข่าวลือว่าพระองค์นะรอบข่าขผู้หญิงหลังจากที่เสพสมแล้วเนะี่ยคนในกรุงสวรรค์ก็เชื่อนะพากันกลดา่าไม่ใช่เฉพาะพระพุทธเจ้านะก็ประนามาภาษาอังของพระองค์จนกระทั่งต้องงดบินธบาตนะบินธบาตไม่ได้นะ ผู้ชนมะผู้คนนี่หูเบามากนะทั้งที่พระองค์เนี่ยก็สอนชาวสาวัถีมาเป็นเวลาหลายปีนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะว่าผู้คนเนี่ยนะบางครั้งก็หูเบามากนะขณะผู้เจ้านี่ทําความดีให้กับเขามานานนะไม่มีอะไรดังพร้อยเนะี่ยพอมีเรื่องอย่างนี้ขา่าวแบบนี้คนก็เชื่อกัน อันนี้ก็เรียกว่าไม่ได้ทำตามหลักกาลมาสูตรนะเชื่อเพียงเพราะว่าเสียงเล่าลือปากต่อปากอันนี้เสียงเล่าลือกันมากมายขนาดนี้ทำท่าจะไม่ดีละพระองค์ก็ไม่ได้กล่าวแก้อะไรเลยนะปล่อยให้เสียงล่ำลือนะแพร่สะพัดนอกจากพระองค์จะไม่ กล่าวแก้อธิบายก็ยังเสด็จอยู่ที่กรุงทธิเชตวันไม่เป็นไหนพระอานนท์ก็ขอร้องว่าอย่าอยู่ที่เชตวันเลยนะเสด็จไปที่อื่นดีกว่าเพราะประชาชนไม่ต้อนรับแล้วพระองค์ก็ปฏิเสธนะแล้วก็พูดกับพระอานนท์ว่า ถ้ามีคนกล่าวหาหรือเข้าใจผิดแล้วเราต้องหนีอย่างนี้เราก็ต้องหนีเรื่อยไปสิเพราะว่าไปที่ไหนก็ต้องมีคนเข้าใจผิดก็ต้องมีคนกล่าวหานะพระองค์ก็ยืนยันที่จะเสด็จอยู่ที่เชตวันแล้วก็ตัดว่าปัญหาอยู่ที่ไหนก็ต้องแก้ที่นั่นไม่ใช่หนีแต่เพื่อองค์สงสัยนะว่าพระองค์ในเมื่อไม่ได้ทําผิด อย่างที่เขาว่าทําไมไม่อธิบายทําไมไม่แก้นะบอกกัว่าในเวลาหลังจากผ่านไปเจ็ดวันความจริงก็ปรากกดนะเพราะว่าโจนที่ไปฆ่านางสุนทรีเนี่ยซึ่งมีกันหลายคนเกิดทะเลาะ ก, กันนะคงกินเหล้ากันแล้วก็ทะเลาะ ก, กันแล้วก็มีการพูดหลุดปากว่าเนี่ยว่าเป็นคนลงมือฆ่านางสุนทรีตามแผนของพวกปริภาชก สายลับที่พระเจ้าเปรตดิโกสนส่งไปได้ยินนะก็มาเล่าให้พระเจ้าเป ร, รสดิโกศนฟังพระองค์ก็เลยเรียกนะสั่งจับนะคนกลุ่มนั้นแล้วก็มาเคลียรความจริงในสุดความจริงก็เปิดเผยพอความจริงเปิดเผยนี่คนสาวัถีก็โอต่างพลิกนะจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยโอสารเสวนผู้เจ้าเป็นการใหญ่ผู้เจ้าเนี่ยเป็นผู้ประเสริฐ ก็เป็นว่าเรื่องนี้ก็จบลงนะแต่ว่าประเด็นที่น่าคิดนะอย่างที่อาตมาได้พูด เ, เกิดเอาไว้คือว่าทำไมพระองค์ไม่แก้ต่างไม่อธิบายธรรมดาเวลาเราถูกใส่ร้ายขนาดนี้มันต้องอธิบายจะไม่ยอมปล่อยให้คนเนี่ยพูดจาใส่ร้า ย, ายหรือเข้าใจผิด ในด้านนึงก็คงพระพระองค์เนี่ยทรงจิตใจมั่นคงไม่หวั่นไหวนะในโลกธรรมใครก็จะดา่าล้วก็จะว่าอะไรพระองค์ก็เฉยนะไม่ได้ทุกร้อนอะไรนั่น ก, ก็คงทรงเห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดานะแต่คิดว่ามีเหตุผลประการหนึ่งนะก็คือพระองค์คงตระหนักว่าในภาวะเช่นนั้นเนี่ยพูดไปก็คงไม่มีใครฟัง คนเนี่ยเชื่อแล้วแล้วก็เชื่อด้วยความมีอารมณ์โกรธแค้นมีอารมณ์เกลียดชังจะพูดอะไรไปคนก็ไม่ฟังหรอกไม่มีประโยชน์สู้เงียบดีกว่าเรื่องนี้ก็คล้ายๆกับเรื่องที่อาจารย์สุรินเคยยกม า, มาเล่านะเรื่องของท่านอากุอินท่านอากุอินก็เป็นพระญี่ปุ่นในสมัยสองสามสี่ร้อยปีที่แล้ว มีขราวหนึ่งสาวชาวบ้านเนี่ยก็เกิดท้องขึ้นมาแม่ก็ซักถามพยายามรีบเข้นหาความจริงเธอทนไม่ไหวก็เลยพูดว่าเนี่ยท้องกับท่านทากุอินพ่อแม่โกรธมากนะตรงไปด่าท่านทากุอินเลยดา่าซิีเซ้หายเป็นพระทุศีนนะ ทำท้องแล้วไม่รับนะว่าสารพัดด่าเสียหายเลยท่านก็ฟังเฉยๆแล้วก็พูดแต่เพียงแค่ว่าอ๋อย่างงั้นเหรอเมื่อเวลาหลังจากผ่านไปไม่กี่เดือนนางหญิงสาวคลอดลูกนะแม่พ่อของหญิงสาวก็เอาเด็กมาให้ท่านอากุลโอคฮาคุอินเลี้ยงท่านก็ไม่ว่าอะไรนะท่านก็เลี้ยงดูเด็กนะครั้งที่เลี้ยงไม่เป็นต้อง ดูแลหานมมาให้นะต้องหาผ้าอ้อมมาก็เรียกว่าใช้เวลาไม่น้อยไปกับเด็กคนนี้ถ้าท่านก็ไม่ปีกปากบนอะไรก็ผ่านไปคงเป็นเดือนนะนะจนกระทั่งแม่ของเด็กเนี่ยรู้สึกผิดนะที่ไปกล่าวโทษท่านฮากุอินก็เลยยอมรับเปิดเผยกับพ่อแม่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยพ่อของเด็กก็คือไอ้หนุ่มข้างบ้านเนี่ยข้างร้านนี่แหละ พอพ่อแม่รูกความจริงก็ตกใจนะเพราะว่าไปด่าท่านโกอินเสียหายต้องเยอะแยะแล้วท่านก็ไม่ได้ไม่ได้ปฏิเสธอะไรเลยก็พอความจริงปรากฏก็ตรงไปที่วัดก็ไปขอโทษแล้วก็ชมท่านโกอิน่ะท่านอากอินที่เป็นพระที่ดีมากนะถูกดายังไงนะก็ไม่ไม่หวั่นไหวนะยอมนะยอมที่จะดูแลเลี้ยงดูเด็กนะ ทั้งนั้นที่ตัวเองก็ไม่ได้ทําผิดอะไรแล้วก็เสียสละอย่างยิ่งเป็นผ้าที่ประเสริฐมากชมใหญ่เลยนะท่านทากุิงก็พูดสั้นๆว่าอ๋ อ, อย่างงั้นเหรอแล้วสุดท้ายเรื่องนี้ก็จบนะเรื่องนี้เนี่ยก็แสดงเห็นถึงความมั่นคงนะไม่หวั่นไหวในโลกธรรมของท่านทากุยงใครเขาด่าก็เฉยก็พูดเพียงแค่ว่าอ๋ อ, อย่างงั้นเหรอไม่ได้โกรธแค้นอะไร พอถึงขาที่เขาชมก็ไม่ได้ปรับปืึมหลงไหลก็พูดแค่เพียงว่าอย่างนั้นหรือแต่ก็มีเปรนเและให้ใ ห, ให้ให้น่าคิดนะว่าทาไมท่านไม่ในเมื่อท่านไม่ได้ทําอย่างที่เขากล่าวหาทําไมถึงไม่กล่าวไม่อธิบายไม่พูดก็คงเป็นเหตุผลเดียวกับที่พระเจ้าเนี่งนิ่งเงียบนะก็คือพระองค์ก็คือท่านอากุยเห็นว่านะคนที่โกรธนะคนที่ มีความคิดแบบนั้นเนี่ยนะพูดไปก็ไม่มีประโยชน์นะอธิบายไปเขาก็ไม่ฟังเพราะว่าใจมันปิดแล้วความโกรธก็ดีความเกลียดก็ดีมันปิดบังจิตใจนะทำให้ไม่ยอมรับเหตุผลไม่ยอมรับความเห็นที่แตกต่างถึงแม้ว่าจะเป็นความจริงก็ตามอันนี้ก็เป็นแง่คิดให้กับพวกเรานะว่ า, เ, าเวลาคนเขา มีความโกรธนะมีความเกลียดหรือว่ามีความเข้าใจผิดเนี่ยชนี้ที่เรียกว่าลุ่มหลงไปกับความคิดแบบนั้นเนี่ยไอการพูดการอธิบายเนี่ยหรือการชี้แจงด้วยเหตุด้วยผลเนี่ยบ่อยครั้งก็ไม่มีประโยชน์นะแต่คนส่วนใหญ่ก็ไม่ไม่ไม่ไม่ไมไมค่อยเข้าใจนะพยายามอธิบายพยายามพูด แต่ยิ่งพูดยิ่งอธิบายก็ยิ่งทำให้อีกฝ่ายนึงเนี่ยไม่พอใจเกิดความโกรธแค้นมากขึ้นบางครั้งการพูดการชี้แจงเนี่ยนะกลับเป็นผลเสียการนิ่งเนี่ยกลับเป็นผลดีกว่าแต่ธรรมดาคนเราเนี่ยมันทนไม่ได้นะพอมีใครว่าร้ายเราหรือแม้แต่เข้าใจผิดเนี่ยนะไม่ต้องไม่ต้องใส่ร้ายหรอกแค่นินทาหรือเข้าใจผิดเราก็อดลนทนไม่ได้นะ อันนี้มันเป็นเพราะอัตตานะอัตตาในในในในใจเราที่มันปรารถนาจะให้คนยอมรับอยากจะให้คนชื่นชมนะในความปรารถนาการยอมรับของผู้คนเนี่ยทำให้เราทนไม่ได้นะเวลาคนเข้าใจเราผิดนะก็พยายามที่จะชี้แจงให้ได้แต่ลืมไปว่าคนเราเนี่ยไม่ว่าจะดีแค่ไหนนะมันก็ต้องมีคนมินทาต้องมีคนเข้าใจผิดวันยังค่ำ บางทีการที่เราจะอยู่อย่างมีความสุขได้เนี่ยเราต้องเรียนรู้ที่จะอยู่ท่ามกลางความเข้าใจผิดโดยที่ใจไม่ทุกนะเพราะว่าในโลกนี้มันไม่มีทุกคนหรอกนะที่จะเข้าใจเราถูกจะจะดิน้นรนพยายามให้คนเนี่ยเข้าใจเราถูกเนี่ยก็คงจะเหนื่อยนะเพราะต้องไปชี้แจงอธิบายนะซึ่งก็ยังไงก็ทําได้ไม่ทั่วถึงก็ต้องอยอมรับความจริงนะว่าเออมันต้องมีคนอย่างน้อยหนึ่งคน ที่ไม่มีทางที่จะเข้าใจเราได้ในการการที่เรายอมรับแบบนี้แล้วก็ทนอยู่กับความเข้าใจผิดก็เป็นการฝึกเหมือนกันนะเป็นการฝึกทั้งขันติเป็นการฝึกทั้งสติเป็นการฝึกทั้งการปล่อยวางไม่ยึดติดในตัวตนเพราะอัตตาเนี่ยหรือตัวตนเนี่ยมันมันจะดิ้นรนทนไม่ไหวนะถ้ามีถ้ามันถ้ามันรู้ว่ามีคนเข้าใจผิดถ้ามันรู้ว่ามีคนเนี่ยนินทาว่าร้าย มันจะทนไม่ได้ไม่ต้องพยายามที่จะพูดพยายามชี้แจงนะเพื่อให้ตัวเองเนีดูดีในสายตาคนอื่นซึ่งในความจริงมันเป็นไปไม่ได้นะมันก็ต้องมีคนที่มองเราในทางลบหรือว่าไม่เข้าใจเราอยู่วันยังคำ่ำพระพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์เข้าใจเรื่องนี้ดีนะก็เลยนอกจากจะไม่หวั่นไหวแล้วเนี่ยกับเสียงใส่ไลายนินทาแล้วก็ยัง มีความอดทนพอที่จะไม่พูดอะไรรอให้คนเนี่ยค่อยๆใจสงบลงหรือไม่ฉะนั้นก็รอให้ความจริงปรากฏท่านฮาโกอิงก็เช่นเดียวกันน ะ, นะท่านรู้ถึงธรรมชาติของมนุษย์ว่าคนรพอพร้อมมีความยึดติดถือมั่นในความคิดหรือในหรือจมอยู่ในอารมณ์แล้วพูดไปก็ไม่มีประโยชน์นต้องรอ อันนี้เนี่ยก็เป็นเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นข้อคิดที่เอามาใช้นะกับชีวิตของเราได้เพราะบ่อยครั้งเนี่ยผู้คนก็ต่างมัวแต่ทุ่มเถียงนะพยายามที่จะอธิบายพยายามที่จะชี้แจงบางทีมันเป็นเรื่องความเข้าใจผิดนะแต่ว่าพอต่างฝ่ายต่างพยายามที่จะยืนยันว่าตัวเองถูกนะ มันก็ทำให้เกิดการทะเลาะเบาแวงกันยิ่งชี้แจงก็กลายเป็นยิ่งพยายามเอาชนะอีกฝ่ายก็ยิ่งพยายามที่จะตอบโต้สุดท้ายก็กลายเป็นว่าแตกราวกันหนักขึ้นหมอประเสริฐผลการพิมพ์เคยพูดไว้น่าสนใจบอกว่าเวลาสามีภรรยาทะเลาะกันเนี่ยอย่าพยายามใช้เหตุผลนะอย่าใช้เหตุผลเด็ดขาดเลยให้ใช้อารมณ์นะให้วางเหตุผลลง แล้วก็ให้อารมณ์เนี่ยมันลอยขึ้นมาได้แก่อารมณ์รักนะซึ่งจะช่วยอนความรักที่มีต่อกันเนี่ยมาช่วยทาแก้ปัญหาได้บ่อยครั้งเนี่ยพอความไม่ตรงกันหรือเข้าใจผิดก็พยายามอธิบายนะแต่การอธิบายนี่มันกลายเป็นการพยายามเอาชนะและพอใช้เหตุผลเนี่ยมันไม่ใช่ใช้เหตุผลเพื่ อ, อยืนยันว่าตัวเองถูกนะแต่มันจะเป็นการใช้เหตุผลเพื่อ ไปกล่าให้อีฝ่ายหนึ่งว่าแกผิดนะเวลาเถียงกันเนี่ยแม้จะใช่เหตุผลเนี่ยเหตุผลมันกลายเป็นกา ร, ป ก, ารปกป้องตัวเองล้วกล่าวหาคนอื่นซึ่งทําให้อีกฝ่ายหนึ่งยิ่งโกรธเข้าไปใหญ่แล้วก็ยิ่งต้องทิมแทงด้วยคําพูดที่รุนแรงมากขึ้นด้วยเหตุ น, นี้หลวงพ่อมเขียนเนี่ยนะเวลาตอนที่พระทะเลาะ ก, กันเนี่ยถึงกับต่อยตีกันท่านถึงบอกว่าเนี่ยสอนว่าอย่าไปเอาผิดเอาถูกให้นึกถึงว่าเออเราจะออกจาก ความขัดแย้งนี้ได้อย่างไรไอ้การคิดหาทางออกจากความขัดแย้งเนี่ยมันทําให้เกิดสถานการณ์ที่เราบินวินนะแต่คนส่วนใหญ่เราทะเลาะกันเนี่ยมันจะคิดแต่จะเอาถูกเอาผิดกูถูกมึงผิดใช้เหตุผลเพื่อเพื่อ ย, ยืนยันว่ากูถูกมึงผิดอีกฝ่ายนึงก็กูอะถูกมึงอะผิดนะก็ยิ่งโกรธกันมากขึ้นงั้นการที่หยุด ถ, ถดถอยงกันนะ แล้วก็พยายามที่จะเข้าใจความรู้สึก ข, ของอีกฝ่ายหนึ่งเข้าใจความเจ็บปวดของอีกฝ่ายหนึ่งหรือไม่แต่เพียงแค่นิ่งๆนะดูใจตัวเองเนี่ยมันช่วยได้ดีกว่าขึ้นชื่อว่าความโกรธความเกลียดแล้วนี่นมันดื้อด้านนะถ้ามันอยู่ในคลองจิตคลองใจใครเนี่ยเราพูดอะไรไปมันก็ไม่ฟังหรอกการอยู่เฉยๆอยู่นิ่งๆเนี่ยนะอาจจะมีประโยชน์มากกว่าเพราะบางทีพออยู่เฉยๆนิ่งๆแล้วความโกรธก็ค่อยๆลดลง พอเราไม่โต้แยง้งไม่โต้เถียงฝ่ายหนึ่งที่โกรธเนี่ยก็จะค่อยๆเริ่มอารมณ์สงบเย็นลงตรงข้ามยิ่งเราพูดยิ่งเราชี้แจงเขายิ่งหาว่าเราแก้ตัวยิ่งอธิบายเขาก็ยิ่งโกรธมากขึ้นเพราะว่าทุกคนเนี่ยก็อยากจะเป็นฝ่ายชนะฝ่ายถูกนะพอฝ่ายหนึ่งพยายามที่จะพูดว่าเราผิดเนี่ยก็ไม่ยอมกลายเป็นโกรธไม่พอใจอันนี้เป็นเรื่องอัตลุนล้วน การอยู่นิ่งๆ น, นะการเฉยการสงบเนี่ยในยานที่ผู้คนโกรธแค้นนี่เพราะความเข้าใจผิดก็ดีหรือเพราะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันเป็นวิธีที่มักจะได้ผลดีกว่าที่จริงจะว่าแต่ความโกรธของคนอื่นเลนะความโกรธในใจเราก็เหมือนกันนะสิ่งที่เราควรทําก็คือไม่ใช่ไปสู้รบตบมือความโกรธที่มันเกิดขึ้นในใจเพียงแค่เราอยู่เฉยๆดูมันเฉยๆเนี่ยก็ช่วยได้เยอะ ที่หลวงพ่อเขียนนั่นสอนว่าให้รู้ซื่อซื่อรู้ซื่อเนี่ยก็หมายถึงรวมรวมไปกระทั่งว่าเวลามันมีความโกรธเกิดขึ้นในใจนะไม่ใช่แค่ความฟุง้งซ่านเท่านั้นพอมันเกิดความโกรธความหงุดหงิดเนี่ยยอย่าไปต่อรอดต่อเทียงย่าไปสู้รบตบมือกับมันนะอย่าไปพยายามเอาชนะมันนะหลายคนเนี่ยพอปฏิบัติทธทำแล้วเนี่ยอยากให้ใจตัวเองสงบ พ, พอไม่มีความหงุดหงิดเกิดขึ้นในใจก็ทนไม่ไหวอยากจะไปกดข่มมันนะ ซึ่งอันนั้นก็ยิ่งทําให้เสียท่านะให้กับอารมณ์เหล่านั้นมากขึ้นทําให้ความโกรธเนี่ยมันมีอายุยืนยาวมากขึ้นคนส่วนใหญ่เวลาจะไปต่อสู้กับความโกรธเนี่ยก็เป็นการต่ อ, อยุให้มันนอวิธีที่ดีกว่าคืออยู่เฉยๆนะดูมันเฉยๆเนี่ยรูซื่อๆเนี่ยนะไม่ต้องไปต่อล้อยต่อเทียงกับมันแค่วางใจเป็นอุเบกขา ให้ความโกรธนั่นก็ค่อยๆอยสงบลงความหงุดหงิด น, นั่นก็ค่อยสงบลงความฟุ้งซ่านก็ค่อยอซ า, าลงไปให้การเฉยเนี่ยนะการเฉ ย, ยอย่างมีสติเนี่ยมันเป็นวิธีการที่ใช้ได้นะใช้ได้ดีนะในการรับเมื่อความโกรธของคนอื่นนะรวมทั้งความโกรธที่เกิดขึ้นในใจเราด้วยนะแต่ส่วนใหญ่คนเราเนี่ยพอ มาเจอเหตุการณ์แบบนี้มันจะอยู่เฉยไม่ได้มันมักจะมีปฏิกิริยานะถ้าคนหนึ่งเขาดา่าเราเราก็ต้องด่าตอบนะหรือถึงแม้ไม่ด่าตอบก็ต้องพยายามชี้แจงพยายามเปลี่ยนความคิดเขาให้ได้การพยายามเปลี่ยนความคิดก็คือการเอาชนะอย่างหนึ่งซึ่งคนทั่วไปก็ไม่ยอมเพราะทุกคนก็มักจะมีอัตตาโดวยเพาะเวลาโกรธเนี่ยนะอัตตานี่มันจะเข้ามาครอบงำใจนะจนกระทั่งไม่คิดจะแพ้ไม่ยอมแพ้ ก็จะหาทางเถียงหาทางสู้นะลองทำใจใสงบนะแล้วก็ลองถือว่าเออมันเป็นการฝึกใจเรานะฝึกทั้งขันตินะความอดทนนะฝึกทั้งาการเรีนรู้ที่จะอยู่กับความเข้าใจผิดนะเพราะว่าอันนี้คือธรรมดาของชีวิตนะแม้ว่าเราจะดีแค่ไหนก็ต้องมีคนเห็นว่าเราไม่ดี ไม่ว่าเราจะสวยแค่ไหนหล่อแค่ไหนก็ต้องมีคนหาว่าเราหรือมองว่าเราไม่สวยนะไม่หลอ่อนะไม่ว่าเราจะเก่งแค่ไหนต้องมีคนที่มองว่าเราไม่เก่งบกพร่องไม่ว่าเราจะทำดีแค่ไหนก็ยังมีคนหาว่าเราทำไม่ถูกเนะี่ยฉะั้นถ้าเราไม่เข้าใจความจริงคนนี่เราก็จะไปอดทนทนไม่ได้ต้องไปดินน้นรนพยายามชี้แจงพยายามอธิบายพยายามสร้างภาพหรือว่า ปรับความเข้าใจของเขาให้มันให้เข้าใจถูกซึ่งในบางกรณีก็ยิ่งทําไปก็ยิ่งเกิดความเสียหายจริงอยู่การชี้แจงการอธิบายมันก็เป็นเรื่องที่ต้องทํานะแต่ว่าก็ต้องรู้จังหวะในบางช่วงก็ต้องเงียบไว้นะอย่างท่านอย่างผู้เจ้าหรืออย่างท่านฮากุอินนี่ท่านท่านรู้จักธรรมชาติมนุษย์ดีก็เลยคิดว่าเงียบดีกว่าหรืออย่างมากก็พูดเคง็งเพียงแค่ว่าอ๋อย่างงั้นเหรอนะ พูดมาไปกันนั้นเขาจะโกรธก็จะดา่าเขาจะยิ่งอ่ยิ่งขับแค้นใจมากขึ้นหรือยิ่งเป็นศัตรูมากขึ้นการอยู่เฉยเฉยการรู้ซื่อเนี่ยนะนะมันเป็นวิธีการที่เราต้องนะฝึกนะต้องรู้จักเอามาใช้แล้วมันก็เป็นการปฏิบัติทมอย่างดีด้วยนะคาเดียวเพอท่านี้กรับร